การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนพระไตรปิฎกท่านถือว่าแสดงด้วยวิธีสามประการวิธีที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมด้วยความละมุนละม่อมวิธีที่สองก็คือแสดงด้วยความไปก็เรียกว่าหนักหน่วงวิธีที่สามก็คือทั้งละมุนละม่อมและก็หนักหน่วงที่สี่เขาไม่เรียกว่าวิธีเพราะว่าไม่สอน นะถ้าไม่สอนก็ไม่เรียกว่าวิธีวิธีที่หนึ่งที่บอกว่าวิธีละมุ ล, ละม่อมคือพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมประเภทสุดเจริญอย่างเดียวแสดงแต่เรื่องของบุญแสดงพระธรรมเกี่ยวกับเรื่องบุญแสดงพระธรรมเกี่ยวกับวาสนาะแสดงพระธรรมเกี่ยวกับคุณงามความดีแสดงความดีและผลแห่งความดียกย่องสรรเสริญคุณงามความดีทั้งหลาย ส่วนวิธีที่สองที่เรียกว่าหนักหน่วงก็คือการแสดงพระธรรมประเภทสังกิเลสะา พ, พาักยะนั่นแหละที่กล่าวไปแล้วเมื่อเช้านั้นเป็นลนักษณะของการแสดงธรรมที่หนักน่วงส่วนต่อไปก็มาฟังแบบเบาๆกคือละมุนละม่อมส่วนบ า, บางส่วนก็แสดงคละคล้ากันไปทั้งลมุนละม่อมและก็หนักหน่วง การแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าแสดงตามอธยาสัยของเวเนยศาสตร์ทั้งหลายว่าเขาจะตรัสรู้ได้ด้วยพระธรรมเทศนาเช่นใดนะควรที่จะฟังแบบหนักนองหรือละมุลละม่อมอย่างใน <c oughs> พระสูตรที่เป็นวาสนาภาริยสูตรเนติปกรณ์หน้าหนึ่งห้า้า บรรดาสูตรเหล่านั้นวาสนาภากยสูตรเป็นไ น, นพระธรรมที่พระองค์แสดงในคาถาธรรมบทเรื่องมัทกุณตลีเทพบุตรว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากบุคคลพูดก็ดีทำก็ดีด้วยจิตอันผ่องใสสุขย่อมติดตามบุคคล น, นั้นไปเพราะสุจริตสามอย่างเหมือนเงาติดตามตัวไปฉะนั้น บว่านามธรรมทั้งหลายก็มีใจเป็นหัวหน้าก็ผู้ที่เรียนอภิธรรมมาเรียนจิตเจตสิกมาจะรู้ว่าจิตเป็นหัวหน้าของเจตสิกทั้งหลาย <S <S เกิดด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าจิตในฐานะนเป็นหัวหน้าในฐานะเป็นประธานเหมือนกับ อ, อุบาสกทั้งหลายอุบาสกรวมกันเยอะทําบุญด้วยกันหัวหน้าอุบาสกก็เป็นประธานอุบาสิกาทั้งหลายทําบุญร่วมกันเยอะๆ ก็มีหัวหน้าอุบาสิกาทั้งหลายเป็นประธานหรือว่าในงานเดียวกันมีหัวหน้าอุบาสกหรือหัวหน้าอุบาสิกาเป็นประธานฉันใดก็ดีในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดขึ้นแต่จิตหรือวิญญาณ น, นั้นเป็นหัวหน้าเป็นประธานจิตนั้นนะเป็นใหญ่ด้วยอำนาจอธิบดีขณะเดียวกันบุญทุกอย่างที่กระทาก็สาเร็จด้วยใจเพราะว่า บุญที่ทําทั้งหลายก็เกิดจากการตั้งใจเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าการตั้งใจเอาไว้ก่อนจึงเป็นเหตุให้ได้เจริญบุญและเจริญกุศลคนที่ตั้งใจไว้ที่จะให้ทานก็ได้ให้ทานตั้งใจไว้จะเจริญสมถะและวิปัสสนาจึงมีการเจริญสมถะและวิปัสสนาการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็ถือว่ามีความตั้งใจเอาไว้ก่อนเป็นเป็นหลักเป็นใหญ่ทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลที่มีใจผ่องใส คำว่าใจผ่องใสเนี่ยประสันเนนะเนี่ยนะผ่องใสคือผ่องใสด้วยอนัพิชาอนาัาพิชาก็คือธรรมชาติที่กําจัดความโลภธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภธรรมชาติที่เป็นศัตรูต่อความโลภนั้นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภเป็นความผ่องใสธรรมชาติที่กําจัดความโกรธเรียกว่าอภยบาตเมตตาอภยบาตหรือเมตตานั้นเป็นตัวที่กําจัดความโกรธและปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐ กรรมสักตาปัญญาเป็นต้นจิตที่เจริญด้วยอานาพิชาอัพยาบาศเป็นจิตที่ประกอบกับสัมมาทิฐิหรือจิตที่มีอโลพาอโทสะอะโมหะเกิดร่วมด้วยเป็นสัมปยุต ธ, ธรรมถ้าหากว่าสภาพจิตเป็นไปกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงธรรมะที่กำจัดความโลภความโกรธและความหลงที่เราเรียกว่าอโลพาอโทสะอะโมหะถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประธาน คำที่พูดออกมาก็จะเป็นคำพูดที่เว้นจากมุสาวาตเป็นคำพูดที่ประสานประโยชน์เป็นคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นคำพูดที่อิงอัดอิงธรรมอิงสังวรวินัยอิงปหานาวินัยพูดเป็นหลักเป็นฐานเป็นถ้อยคำที่ควรเชื่อถือได้เพราะว่าสภาพจิตขณะนั้นเป็นอะโลพะอโทสะและอโมหะแล้วการกระทาทั้งหลายการกระทาทางกายก็เป็น กายะสุดจริตเัรทะาจิตผ่องใสด้วยอนัพิชาจิตผ่องใสด้วยความไม่พยาบาทจิตผ่องใสด้วยปัญญากุศลธรรมเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ทําคําที่พูดก็เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษและเป็นสิ่งที่ให้ผลเป็นความสุขเั้นคนที่ทําคุณงามความดีโดยที่มีอะโลพาอโทสะอะโมหะเป็นประธาน ทำสุจริตทั้งสามอย่างคือกายสุจจิตวจีสุจจิตและมโนสุจจิตความสุขย่อมติดตามตัวเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวฉะนั้นนะความสุขที่เกิดจากการกระทําความสุขที่เกิดจากคำพูดความสุขที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลความสุขเหล่านี้ติดตามไปท่านบอกว่าเหมือนเงาติดตามตัวก็ให้เห็นว่าบุญกุศลที่เราทาไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นภาระในการเก็บรักษา ไม่เหมือนกับบาปใช่บาปเนี่ยมันเป็นภาระที่ติดตามไปเหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคแต่บุญนี้พระพุทธเจ้าไม่อุปมาให้เห็นอย่างนั้นให้เห็นว่าบุญทั้งหลายกุศลทั้งหลายที่เจริญไปแล้วทำไปแล้วไม่ต้องแบกต้องหามไม่ต้องยกต้องถือไม่ต้องหิว้วแต่ว่าติดตามไปเหมือนเงาจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ณนะที่ใดเราไม่เคยมีความรู้สึกว่า เอาเงาไปด้วยนี้เป็นภาระเลยฉันใดบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้เจริญแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกายาสุจเิตวจีสุจรตมโนสุจรรตหรือกุศลกรรมาบทเสดจ ป, ประการสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นภาระในการแบกการหามในการยกการหอ่อการหิ้วเป็นต้นเพราะเป็นเหมือนกับเงาติดตามตัวพระองค์ยังเน้นว่าไม่ต้องกลัวบุญเพราะบุญเป็นชื่อของความสุข นะเป็ดขนาะเดียวกันบุญเนี่ยขณะที่ทําก็เป็นสุขผลของบุญก็เป็นสุขนะวิบากต่อไปก็เป็นสุขเป็นสุขทั้งโลกนี้เป็นสุขทั้งโลกหน้าขนาะเดียวกันบุญเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้ได้รับอมตะนิพพานสุขแต่ที่ทุกสลับคราบ้างเป็นครั้งคราวก็เนื่องจากบาปมันแทรกเนื่องจากผลแห่งบาปเนี่ยมาแทรกขณะที่บาปแทรกก็เป็นความทุกข์ผลแห่งบาปมาแทรกก็เป็น ความทุกตัวบุญนี้ไม่ทุกเลยผลของบุญก็ไม่ทุกเลยไม่ลําบากเลยแต่ที่เดือดร้อนที่เร่าร้อนที่ทุกยากลําบากก็บาปเข้ามาแทะนะเมื่อบาปเข้ามาแทรกคนที่เข้าใจผิดก็เลยนึกว่าบุญนี่ทําแล้วไม่ดีเลยเพราะทําบุญนี่แหละเขาจึงเดือดร้อนเพราะทําบุญนี่แหละเขาจึงประสบแต่ความทุกแต่เขาไม่รู้หรอกที่เขาเดือดร้อนที่เขาทุกเพราะบาปมันแทรกเข้ามาเนื่องจากอกุศลทั้งหลายเนี่ยนะ คือผู้ที่เกิดมาในโลกนี้นะก็อย่างว่าคําว่าโลกนี้หรือว่าโลกนี้โลกคืออุปาทานขันธ์หพระองค์บอกว่าสังกิเลสิกะธรรมโตเป็นธรรมที่ตั้งแห่งสังกิเลสเป็นธรรมที่ตั้งแห่งทุจริตสามเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสังกิเลสคือตัณหาทุจริตมิจฉาทิฐิท่านก็ก็อดไม่ได้ที่จะเปื้อนบาศ อดไม่ได้ที่จะไปประกอบกับความชั่วทั้งหลายอันเมื่อประกอบกับความชั่วความชั่วเหล่านี้ก็ไปแทรกเป็นระยะระยะในการเจริญความดีขณะเดียวกันคนที่เจริญความดีเนี่ยนะถึงไปทําชั่วความดีก็แทรกเป็นระยะระยะเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่คนดีเนี่ยนะถ้าเคยมีดีอยู่ในใจบ้างเวลาจะทําชั่วก็ไม่ใช่จะทําง่ายๆทีนี้คนชั่วทั้งหลายถ้าหากว่า เขาจะหันมาทำดีเนี่ยนะก็ไม่ใช่ทำจะง่ายเพราะว่าความชั่วก็มาแทรกเป็นระยะระยะอันคนที่เริ่มสร้างคุณงามความดีบาเพ็ญสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมีความลำบากบ้างทางจิตใจเป็นครั้งคราวหรือมีความเดือดร้อนเพราะได้เสวยวิบากที่ไม่ดีก็ให้รู้เถอะว่านั่นไม่ใช่ผลบุญนั่นไม่ใช่บุญที่เข้ามาแทรกเพรา ะ, ะนั้นสติปัญญาทั้งหลายก็ต้องพยายามแยกแยะให้ออกว่า ขณะไหนเป็นความดีขณะไหนเป็นความชั่วร้ายขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศลขณะไหนเสวยผลแห่งบุญขณะไหนเสวยผลแห่งบาปมันเมื่อแยกแยะกุศลอกุศลได้แยกแยะผลแห่งกุศลอกุศลได้เราจึงสามารถคัดสรรเจริญแต่กุศลที่เรียกว่าถือเอาแต่กุศลปล่อยทิ้งอกุศลไปคนที่ทําได้อย่างนี้เรียกว่าคนมีสติสัมปชัญญะ คนที่มีสติสัมปชัญญะแยกคุณงามความดีได้แยกบาปแยกอกุศลได้เลือกถือเอาสิ่งที่ประโยชน์เลือกถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปงั้นสรุปมาทบทวนว่าคุณงามความดีบุญกุศลที่ทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ต้องกลัวว่าความสุขจะไม่ตามมาอย่างเช่นถ้าสุจริตสามเนี่ยนะทำสุจริญสามที่บริบูรณ์ สุขที่เกิดจากความไม่เดือดร้อนที่เรียกว่าอาวิปปติสารสุขก็เกิดขึ้นเพราะสุขที่ไม่เกิดจากความไม่เดือดร้อนสุขที่เกิดจากความไม่เล่เ า, ามมร้อ น, อนกายะปะสัสสติจิตตปะสัสสติมีความสุขและความสุขเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิเป็นเหตุให้เกิดการตรัสรู้บรรลุมรรคผลเป็นต้นต่อไปเพรา ะ, ะความสุขเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะสุจเรศสามเป็นเหตุใกล้ต่อ สติปฐานสี่สติปฐานสี่ก็เป็นเหตุใกล้ต่อโพชฌงโพชฌงก็เป็นเหตุใกล้ต่ออริยมรรคทั้งหลายเมื่อมีการตรัสรู้อริยมรรคการทําให้แจ้งอริยผลการแทงตลอดพระนิพพานก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากมันสุดจริตสามที่บุคคลเลือกเจริญเลือกปฏิบัติจึงเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งพบนี้เป็นเหตุแห่งความสุขทั้งพบหน้าขณะเดียวกันก็เป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ที่เป็นปัจจุบัน รับประโยชน์ในสัมปรายภพที่สำคัญที่สุดก็คือสูตรจริตเหล่านี้เป็นเหตุให้ได้รับปรมาภิประโยชน์เนี่ยนะลักษณะที่กล่าวไปนี่เรียกว่าวาสนาภาทยะนนะสิ่งที่เราเจริญถ้าเป็นบุญบุญทั้งหลายก็เป็นชื่อของความสุขเป็นเหตุให้ได้รับความสุขต่อไปในภายภาคหน้าอีกสูตรหนึ่งพระเจ้ามหานามะ ได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมืองกบิลพัทนี้มั่งคั่งกว้างขวา ง, วางมีประชาชนมากผู้คนนิ่งเลื่อนกล่นหนทางคับแคบแออัดไปด้วยผู้คนว่าจริงนะประเทศอินเดียเนี่ยโห้ยคนเนี่ยเยอะจริงๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า และเข้าไปหาเพศทั้งหลายผู้น่านับถือแล้วเมื่อจะกลับเข้าไปยังเมืองกบิลพั์ในเวลายเย็นได้เดินทางไปกับช้างที่ยกโครงบ้างนะมา้มามก็เป็นฝูงบ้างรถที่เป็นเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะบูรุษที่เป็นเยอะนะก็คือเกี่ยวข้องกับช้างเกี่ยวข้องกับมา้าเกี่ยวข้องกับคนเรียกว่าเต็มไปด้วยความชโลมุวุ่นวายเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลานั้นเรียกว่าในเวลาที่ปะปนไปด้วยฝูงช้างฝูงมา้าฝูงรถฝูงมนุษย์เนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยสติที่ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หายไปแสดงว่าโดยปกติก็มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์พอไปเจอเหตุการณ์ที่ชุลมุนวุ่นวายแบบนั้นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็หายไปสติที่ระลึกถึงพระธรรมก็หายไปสติที่ระลึกถึงพระสงฆ์ก็ หายไปเพราะว่าการเจริญอนุสติทั้งหลายก็อาศัยส ป, ปายะอาศัยบุคคลส ป, ปายะเสนาสนะส ป, ปายะสถานที่ส ป, ปายาพอไปเจอความชุลมุวุ่นวายทั้งหมดเข้าก็เลยสติหายเลยเรียกว่าปัจจัยมันแห่งสติไม่มีขึ้นเพราะไปเกี่ยวข้องกับคนที่หลงลืมสติไปอยู่กับบุคคลที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเนี่ย น, นะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ถ้าเราตายในเย็นวันนี้คติของเราจะเป็นเช่นไรสัมปตรยภพจะเป็นเช่นไรอันนี้มีความคิดความคิดอันนี้เป็นสตินะแยกแยะเลยเนี่ยแยแน่นเนี่ยถ้าเราเป็นแต่อกุศลแบบนี้ถ้าปล่อยให้อกุศลแบบนี้ครอบงําย่ายีใจหลงลืมพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไม่ได้ระลึกถึงคุณของพระธรรมไม่ได้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ไม่ได้ชาติหน้าของเราจะเป็นอย่างไรเนอคติ ทั้งหลายในบรรดาคติหนรกเปรตอสุรกายเดรชานจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนอสําหรับเราหรือว่าพบต่อไปจะเป็นอย่างไรเป็นโอปปาติกะเป็นต้นอย่างไรเนาก็เกิดความสงสัยขึ้นนี่ตอนนั้นพระเจ้ามหานามะเนี่ยเป็นพระโสดาบันเลยนะท่านยังท่านยังระแวงท่านยังระวังสงสัยเนี่ยนะเพราะว่าขณะที่บาปอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดความสงสัยว่าเอ้เนี่ย เราละลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้เราละเลึกถึงพระธรรมไม่ได้เราละเลึกถึงพระสงฆ์ไม่ได้ในขณะนั้นเนี่ยถ้าจุติตอนนั้นจะไปไหนล่ะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหานามะอย่า ก, กลัวเลยมหานามะอย่า ก, กลัวเลยเธอจากไม่ตายอย่างเลวร้ายจะไม่ทำกาลกิริยาอย่างเลวร้ายมหานามะ อริยาสาวกประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมน้มไปสู่พระนิพพานยอน่อมโน้มไปสู่พระนิพพานเอนไปสู่พระนิพพานผู้ที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการอะไรบ้างมหนมานามะอริยาสาวกในพระาศาสนานี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าวา่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้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 อรหังเราถ้าเราทั้งหลายปรารถนาว่าเออเราเนี่ยโน้มไปสู่พระนิพพานด้วยยังน้อมไปสู่พระนิพพานไหมใจของเราเองไปสู่พระนิพพานไหมสังเกตดูว่าอารหังเนี่ยใช้คํานี้ปักเลื่อมสายเลยไหมอรหังไกลาจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรไม่มีความลับในการกระทําบาป ค, ควรแก่เครื่องบูชาสักการะอภารหังไกลาจากคนชั่วอยู่ใกล้ต่อคนดีอันคนดีทั้งหลายไม่ทอดทิ้ง เป็นผู้ได้รับการควรแก่การยกย่องควรแก่การสรรเสริญเพราะท่านหลับท่านละบาปละอกุศลธรรมได้ทั้งหมดท่า น, นเราฟังคําว่าอรหังปั๊บกระปลื้มปีติดีใจศรัทธาผ่องใสหรือว่าเชื่อแต่ว่าไม่เลื่อมใสเอาพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เถียงว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่ะแต่ฟังแลฟังแล้วก็เฉยๆอันนั้เรียกว่าเชื่อแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรก็เขาว่าพระพุทธเจ้าก็เชื่อว่ามีาศาสนาพุทธ มีพระพุทธเจ้าแต่ว่าความเลื่อมสายอย่างงอนเงนงอนแงเ น, นี่ยนะก็บอกว่าบางคนเนี่ยศึกษาปฏิบัติธรรมเขาบอกเขาศึกษาปฏิบัติเยอะมากแต่เขาไม่มีความเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเลยถามว่าดูได้จากอะไรที่เขาไม่เลื่อมสายพระพุทธเจ้าเมื่อมีบุคคลกล่าวพุทธคุณเขาสามารถปัดเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยได้นั่นก็แปลว่าเขาไม่เลื่อมสายในพระพุทธเจ้านีนะ ผันผู้ที่ศึกษาโดยที่ศึกษาแล้วใจของตนไม่รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดอรหันตคุณผ่าารหัน์ผู้มีความบริสุทธิ์จากราคะบริสุทธิ์จากโทสะผู้บริสุทธิ์จากโมหะผู้บริสุทธิ์จากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมแล้วประกอบด้วยความเลื่อมใสเช่นนี้ เป็นผู้ที ator, um. im ่ผ่องใสเช่นนี้ฟังคําว่าอรหันก็ผ่องใสอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาก็ผ่องใสหน้โมตสักพระกวะโตัวรหัสตสัมมาสัมพุทธะก็ผ่องใสอิติปิโสพระกวาเป็นต้นก็ผ่องใสเห็นพระเจดีย์ก็ผ่องใสเห็นพระพุทธรูปพระรูปเหมือนก็ผ่องใสนี่นะหรืออย่างอื่นก็ตามที่โน้มเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วก็ผ่องใสฟังแล้วก็ปีติปราโมท ถ้าอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเลื่อใมใสไม่วันไหวหรือคําว่าสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้โดยชอบโดยถูกป้องซึ่งอภินญ ย, ยธรรมปริญยยธรรมปหาตปธรรมสัชกาตปธรรมภาเวตประธรรมเป็นต้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังหรือเอามาพิจารณาใจก็ผ่องใสเราลึกถึงพระองค์นี่มีวิชาสามมีวิชา8มีจารณา15ฟังคําว่าวิชาจารณาสัมปันโนที่มีอยู่ในพระคุณของพระองค์ก็ ผ่องใสพระองค์นั้นเป็นสุขโตเป็นผู้ที่เสด็จไปดีแล้วนะไปสู่อมตะนิพพา น, นดําเนินไปตามอริยมรรคไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหาบาปพาอุศลอีกไม่ไปแบบ ส, สัตตทิฏฐิไม่ไปแบบอุเฉตทิฏฐิเพราะพระองค์เนี่ยไปด้วยการรู้แจ้งแทงตลอดอรยิยสัจพระองค์ไม่เป็นไม่ปฏิบัติในการมัสุขลิกานุโยคไม่ปฏิบัติในอัตตะกิลมัทานุโยคเพราะพระองค์ไม่ปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา นั้นพอฟังคําว่าสวิชาสุขโตหรือฟังคําว่าโลกวิทูหรืออนุตโรหรือปุริสธรรมสารถิสาธาเทวมนุษยานังหรือคําว่าพุทโธหรือคําว่าพักวาเป็นต้นเนี่ยถ้อยคำเหล่านี้ฟังแล้วก็เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าใช่เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นเช่นนี้จริงๆพระองค์เนี่ยเป็นอรหันต์จริงๆพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะจริงๆพระองค์เป็น ผู้เสด็จไปดีเรียกว่าสุขตะสุขโตจริงๆพระสุขคตจริงๆที่เขาเรียกว่าพระสุขคตพระสุขคตพระองค์เป็นพระสุขคตจริงๆก็คือสุขโตพระองค์เป็นอนุตโรคือไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้เป็นผู้โอวาสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในประโยชน์3ประการเป็นต้นหรือพระองค์เป็นผู้ที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า อันฟังคำว่าพุโทโธก็ปีติเลยเนี่ยนะฟังคําว่าพุโทโธก็ปีติเป็นต้นหรือคําว่าพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้ทรงมีส่วนมีส่วนแห่งคุณธรรมโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะพันพอได้ฟังแล้วก็ปีติปราโมทมีใจเลื่อมใสไม่หวั่นไหวถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าคนนั้นโน้มไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่พระนิพพานเอ็นไปสู่พระนิพพาน แปลว่าน้อมไปเพื่อตรัสรู้อริยมรรคเบื้องสูงอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนี้ล่ะนึิกลอารหังก็เฉยๆสำมาสัมพุทโธก็เฉยๆสวดมนต์ก็น่ารําคาญเป็นตนท่าอย่างนี้ก็ปรับทัศนคติเสียใหม่ว่าทําไมหนอเมื่อกล่าวบุคคลที่น่ายกย่องกล่าวบุคคลที่น่าสรรเสริญจิตใจของเราจึงแห้งแล้งเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นพุทธรัตนะ คำว่าพระพุทธรัตนะเมื่อระลึกถึงแล้วก็ต้องปราบเลื่อปีติเรานี้เข้าใจผิดหรืออย่างไรทำไมเราจึงไม่มีปีติปราโมทย์ในพระพุทธคุณเป็นต้นแล้วก็มาสอบสวนมาแยกแยะปรับทัศนคติปรับสัมมาทิฏฐิให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เลื่อมใสในบุคคลที่น่าเลื่อมใสขนาดนี้ เพราะว่าพระองค์เป็นผู้มีรูปที่น่าเลื่อมใสมีเสียงที่น่าเลื่อมใสมีชื่อเสียงที่น่าเลื่อมใสมีความเศร้าหมององปฏิบัติอยู่ในความขัดเกลาวพระองค์ก็มีอริยะคุณคุณธรรมอยู่ในพระองค์อีกตั้งมากมายอันที่เรายังไม่เลื่อมใสก็ปรับความเห็นให้เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสช่างเถอะวันนี้เราเลื่อมใสน้อยแต่ต่อต่อไปเราจะต้องเลื่อมใสมากกว่าวันนี้เราจะต้องเลื่อมใสยิ่งกว่านี้ท่านเมื่อฟังคําว่าปีติใจก็ผ่องใส จะให้เราหันไปนับถืออย่างอื่นเราคงทำไม่ได้เพราะในโลกนี้ผู้ใดจะประเสริฐยิ่ยงกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วผู้ใดจะประเสริฐกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเพราะพระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้สูงสุดเป็นต้นหันท่ามีความรู้มีความเข้าใจสามารถปล่อยใจให้โคจรท่องเที่ยวไปในพระพุทธคุณทั้งหลายได้ยาวได้นานเป็นต้น บุคคลเหล่านี้ก็แปลว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าตอนนี้สุดแท้แต่ว่ามั่นคงปานใดมั่นคงแค่ไหนจนถึงกับว่าไม่เปลี่ยนไม่แปลงเลื่มลอมใสไม่หวั่นไหวจริงๆรงนะชีวิตจะเปลี่ยนได้แต่ใจที่จะเปลี่ยนจากการนับถือพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้แนะก็เอาให้เลื่อมใสให้มั่นคงขนาดนั้นแต่ถ้ายังไม่เลื่อมใส ย, ยังไม่มั่นคงทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนา ทำบุญแล้วก็ตั้งใจขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อให้มีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ย น, นะเราก็ต้องมาทําบุญแล้วสมาทานเพิ่มพูสนสัจถินสี่เพิ่มพูนศรัทธาที่มีในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งเมื่อเราระ ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจของเรานี่ก็เรียกว่างองแงเต็มทีเนี่ยนะอ่า มีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่มั่นคงอยู่ในตัวเองสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามมาละลึกนะว่าพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับนะบำเพ็ญทั้งบารมีไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนคขมะเป็นต้นอธิษฐานธรรมสี่เป็นต้นเราก็มาละลึกทั้งส่วนของพระปุพพิจริยาคุณพระสรีระคุณตลอดจนถึงพระอรหันตคุณเป็นต้นเพื่อสั่งสมว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เกิดมาในโลก เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อเพิ่มพูนเพื่อพอกพูนให้ศรัทธาตัวนี้จนกว่าศรัทธานั้นเป็นอจลัศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมันเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่หนึ่งถ้าเราจะคิดถึงใครในโลกพระพุทธเจ้าคือบุคคลที่หนึ่งที่เราต้องคิดถึงก่อนบุคคลอื่น อย่างมากก็อยู่ลําดับสลําดับ4ี่หรือลําดับสิไปแล้วพระพุทธเจ้าคือผู้ที่อยู่ในลําดับหนึ่งเสมอพระธรรมอยู่ลําดับที่สองพระสงฆ์อยู่ลําดับที่สพระรัตนตรัยนี่คือสิ่งที่สูงสุดอยู่ในทิศเบื้องบนเหมือนกับว่าพระรัตนตรัยนครอบอ น, นะครอบปกคลุมเราอยู่ตลอดเวลาไปในทิศใดก็ไปเพื่อบูชาสการะไปในทิศใดก็ไปเพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนเป็นต้น ถ้าเรามีศรัทธา ม, มั่นคงได้ปานนั้นก็เชื่อว่าน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานเอ็นไปสู่นิพพานเพราะไม่มีใครบรรลุนิพพานโดยที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกนะพอเขาเห็นอริยศาสตร์รู้เลยว่าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ น, นแน่แท้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการแทงตลอดนิโรธสัจะจะเป็นไปได้อย่างไรมันคุณธรรมอันหนึ่งที่ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีคุณธรรมเช่นช น, นี้เนี่ยนะน้อมไปสู่พระนิพพานแน่นอนก็คือมั่นคงเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าทั้งพระจริยาคุณสรีระคุณแม้กระทั่งพระอรหันตคุณเป็นต้นตรงนี้เน้นพิเศษคืออรหันตคุณต่อไปเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมที่วินยูชนไม่ว่าจะเป็นอุคติตัญญูวิปัญจิตันยูนัยยะบุคคลก็รู้ได้เฉพาะตนอันพระธรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปรยิยติสัตธรรมพระองค์ก็แสดงไว้ดีแล้ว บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยประกาศทําให้ง่ายทําให้ตื้นแล้วมันก็เลื่อมใสในในพระธรรมเลื่อมใสจริงจริงเลื่อมใสในพระวิสูตรพระวินัยและพระพิธรมรมเลื่อมใสในทีคณิกายมัชิมนิกายสังยุตอังคุตคุดกานิกายนะเลื่อมใสในคําสอนอันประกอบไปด้วยองค์เก้าคือสุตตะคยะวยาการณะเป็นต้นเชื่อมั่นว่าแม้แต่ปรยิยติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คําสอนเหล่านี้สามารถ กำจัดราคะได้จริงสําหรับผู้ที่ปฏิบัติตามผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนที่พระองค์สอนไว้ดีอย่างนี้จริงสามารถกําจัดราคะสามารถกําจัดโทสะสามารถกําจัดโมหะได้จริงกับสามารถกําจัดบาปอกุศลธรรมได้จริงทําบุคคลที่มีจิตเศร้ามองให้พ่องสใยได้จริงเป็นธรรม ท, ที่ทีเรียกว่าเป็นนิยานิกรรมเป็นธรรมที่นําออกจากทุก์อย่างแท้จริงเป็นธรรมที่ควรปฏิบัติตามเป็นธรรมที่แสดงไว้อย่างเหมาะสม พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นเป็นธรรมที่เหมาะสมจริงๆเป็นธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติสมควรแล้วผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้สิจึงจะบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงเมื่อเห็นความที่พระธรรมเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็ผ่องใสไม่ใช่เอ๊สูตรนี้เป็นยังไงสูตรนั้นจริงหรือสูตรนี้เป็นยังไงทีหลังก็แมมสวดสวากขาโตนี่น่าจะแย่หน่อยนะ เพราะว่าสวาขาโตคือพระธรรมพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นคําว่าตรัสไว้ดีแล้วนี่แปลว่าอะไรเพราะว่าในสมัยใหม่เป็นสมัยไฮเทคปฏิเสธว่าโอ้อย่าเชื่อตามพระไตรปิฎกว่างั้นอย่าเชื่อตามคำพีนั่นเองก็บอกว่าเอาคําพูดนี้มาจากไหนเอามาจากคำภีร์แต่ชอือย่าเชื่อคําว่าอย่าให้เชื่อมาตมา ก็เกว่ามาตักเะหตุตเป็นต้นเนี่ยบอยามีอยู่ข้อหนึ่งก็คือมาปิดตะกะเนี่ยก็คื อ, อยาเชื่อโดยตําราเขาบอกยาเชื่อโดยอ้างตําราก็เลยเลยชงไว้ว่ายาเชื่อแม้กระทั่งพระไตรปิฎกเอาไม่เชื่อพระไตรปิฎกแล้วมันแปลว่าอะไรก็บอกแม้กระทั่งโอวาทที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็ไม่ให้เชื่ออแล้วไม่ให้เชื่อถามว่ามันขัดกับ อ, องค์คุณของพระโสดาบันไหมพระโสดาบันเป็นผู้ที่เลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวใน พระธรรมว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้คำว่าตรัสไว้ดีแล้วก็คือทุกสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนสามารถกำจัดราคะโทสะโมหะได้จริงสามารถตัดเหตุแห่งทุกได้จริงเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกอย่างแท้จริงมันถ้าเราไม่เชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็แปลว่าคนห่าง หางพระัตนะไตรก็คนไม่มีสารณะนั่นแหละนะถ้าไม่มีสารณะก็แปลว่าอะไรก็คนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ระลึกถึงไม่มีที่ภายในเบื้องหน้าก็ยึดเอาแต่ตัณหามา n ะของตัวเองนั่นแหละเป็นเป็นใหญ่เป็นหัวหน้ามา n ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงปปปันจะทำเป็นธรรมที่ขยายวะตะัตฏะเป็นธรรมที่เนื่นช้าทําให้เฝ้าอยู่ในวะะัฏฏะนั้นบางคนก็เลยศึกษาธรรมะศึกษาไปศึกษามา ผิดเพี้ยนไปเลยบอกไม่เชื่อแม้กระทั่งพระพุทธพจน์เนี่ยนะะถ้าขนาดนั้นก็ถือว่าหนักเอามากมันก็ขอให้ เป็นผู้ที่ประกอบด้วยความเลื่อมสายเราก็มาดูนะว่า hh, ทีคณิกายเราเลื่อมสายจริงหรือมัชฌิมนิกายเราเลื่อมสายจริงหรือสังยุตอังคุตรนิกายเป็นต้นเราเลื่อมสายจริงหรือพระธรรมเหล่านี้ท่านบอกว่าพระธรรมรัตนะระลึกถึงแล้วเป็นเหตุให้เกิดความปราบเลื่มปีติเ อ, อิบอิ่มและโสมนัสเราลึกถึงระลึกถึงคําสอนที่พระองค์ตรัสไว้เหล่านี้แล้วเราเกิดปีติเกิดโสมนัสมีความเลื่อมใสายไม่หวั่นไหวไหม นะคำของบุคคลอื่นไม่ควรเชื่อถือคําของพรงะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นควรแก่การเชื่อถือเพราะว่าคําสอนของพรงะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่ศึกษาดูแล้วว่ากําจัดบาปอกุศลได้จริงเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์แต่พระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงอย่างแท้จริง และอีกต่อไปเนี่ยน ะ, ะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือมีความเลื่อมใสในพระสงค์ว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วท่านเหล่านั้นคือพระอริยบุคคลสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปบุรุษนั่นแหละสองสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสองควรแก่สักการะที่เขานํามาบูชา เป็นสงควรแก่สัการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรรับทักษินาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่ามันเมื่อฟังคำว่าพระสารีบุตรก็ผ่องใสสบายใจฟังคำว่าพระโมคัลานะพระหมหากัสสปะพระอ น, นุนพระหมหากัจจยนะเป็นต้นเมื่อฟังแม้แต่กระทั่งเอ่ยชื่อของท่านเหล่านั้นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติรู้ทำตามพระพุทธเจ้า พอได้ยินแต่ชื่อแล้วก็สบายใจเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในอริยะคุณว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะทัา น, นใครที่ศึกษาเนติปกรณเนี่ยนะไปเห็นในเววัจนะหาระเววัจนะหาระที่กล่าวถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณ ฟังแล้วก็เลื่อมใสอ่านแล้วก็ปีติและปราโมทฟังแล้วก็บันเทิงปราบปลื่มในใจใครที่มีศรัทธาเช่นนี้ดังกล่าวไว้นี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระสงค์นะนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่เลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระธรรมและในพระสงค์กอนยะเดียวกันอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกอบด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะพอใจ ศีลที่ภาระยะพอใจนั้นคือศีลที่ไม่ชาดทาด้วยตัณหามา n a เละทิฏฐิเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยคือไม่ได้เป็นธาตุของตัณหามา n a ทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพราะว่าศีล น, นำมาซึ่งอวิปปิสานาวิปปิสาร น, นำมาซึ่งปรามโมทปรามโมทนำมาซึ่งปีติปีตินำมาซึ่ง ปัสสัทิปัสสัทีนำมาซึ่งสุขสุขนำมาซึ่งสมาธิพันคุณเครื่องของศีลก็คือเป็นตัวส่งให้ถึงสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ของยะถาภูตยานทัศนะนิพพิธาและวิราคะเป็นต้นมันเลื่อมใสในศีลมากเลื่อมใสในศีลที่เป็นศีลวิสุทธิและเป็นผู้ที่มีศีลวิสุทธิสมบูรณ์อยู่ในตัวเพราะว่าคุณธรรมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลศีลเหล่านี้เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่มั่นคงมากบรรดคนที่มีอ่ามีอริยคุณสีประการประกอบด้วยคุณธรรมสีประการคือหนึ่งเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระพุทธคุณทั้งหมดนะนะสองเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมคุณทั้งหมดทั้งปริยัตอริยมรรคอริยผลและนิพพาน สเลื่อมสายไม่หวนไว้ในพระอริยสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่หรือพระอริยทั้งมวลที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ผ่องสายในคุณของพระรัตนะไตรยอีกอันหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่มีศีลดีเยี่ยมอ่ะ น, นะเป็นศีนที่เรียกว่าตัวเองใคร่ครวญดีแล้วตําหนิตัวเองไม่ได้ท่านผู้รู้ทั้งหลายวินยูชนทั้งหลายพิจารณาโดยรอบครอบครบท่วนแล้วติเตียนเราไม่ได้เนี่ยนะพันก็ถือว่าเป็นศีนที่ดีเยี่ยม ผู้ที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหละพระองค์ถามพระเจ้ามหานามะเพื่ออุปมาต่อไปว่ามหานามะต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งน้อมไปทางทิ่ตะวันออกโน้มไปทางทิ่ตะวันออกเอ็งไปทางทิ่ตะวันออกต้นไม้นั้นเมื่อรากขาดแล้วจะล้มไปในทางทิศไหน พระเจ้ามหานามากราบทูลว่าล้มไปทางทิศที่มันน้อมไปโน้มไปเอ็นไปพระเจ้าค่ะแม้ว่ามันเอียงไปทางไหนมันก็จะล้มไปทางนั้นและพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะฉันใดก็ฉันนั้นพระอริยส า, าวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมน้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่พระนิพพานเอ็นไปสู่พระนิพพานมหานามะอย่า ก, กลัวเลยดูก่อนมหานามะอย่า ก, กลัวเลยเธอจักตายอย่าง เธอจะไม่ตายอย่างเลวร้ายจกไม่ทำการกิริยาอย่างเลวร้ายเพราะมีคุณธรรมแน่นอนเลยคือศรัทธาและศีลนะนะยกตัวอย่างว่าพระโสดาบันพระสกะทาคามีเป็นผู้มีศรัทธาและศีลเนี่ยนะสัททินศีนี่มีกำลังมากอัะนนะี้พันศีลเนี่ยดีเยี่ยมพระโสดาบันเป็นผู้มีศรัทธาอย่างยิ่งมีศีลที่มั่นคงมีสมาธิและปัญญาพอประมาณ ถ้าเป็นท่านนาคามียเนี่ยศีลดีเยี่ยมสมาธิดีเยี่ยมปัญญาพอประมาณถ้าเป็นพระนอาหารก็สมบูรณ์ด้วยศีนสมาธิปัญญาเนี่ยนะทานผู้ที่เป็นพระโสดาบันสมบูรณ์ด้วยอริยศีลแล้วก็เป็นผู้ที่มีอริยศรัทธาเป็นสัทธาที่เป็นอัจฉรศสัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงคนที่มีคุณธรรมอย่างนี้แน่นอนนะว่าไม่ตายอย่างเลวร้ายแน่นอนเพราะหมายความว่าก่อนจะตาย เขาบอกว่าคนที่จะตายจะต้องนึกถึงสิ่งที่มันดีที่สุดที่ตัวเองประทับใจที่สุดพระอริยาสาวกทั้งหลายไม่มีอะไรจะประทับใจยิ่งกว่าคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีอะไรจะประทับใจไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าใจเอ่อกว่าพร a t h a ตรใยสำหรับใจของท่านไม่มีอะไรอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าคุณงามความดีที่ท่านได้รักษามาแล้วท่านสามารถระลึกเอ่อมีพร a t h a n a ใจเป็นอารมณ์ก่อนตายก็ได้ มีศีลของตัวเองเป็นอารมณ์ก็ได้ก่อนจะตายเพราะท่านเป็นผู้ที่รักษาศีลเป็นผู้ศีลดีเยี่ยมเป็นศีลที่มั่นของผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยน้อมไปแทงตลอดอริยสัตว์ด้วยสกทาคามิมักด้วยอนาคามิมักและด้วยอรหัตตมักอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไรท่านก็น้อมไปเพื่อการตรัสรู้อย่างแน่นอน